บุกทูเจ็ดฮาฟตหมายเลขออดดอดิฉันนับมันมีชมอรามหนึ่งสองสามเย็ก ดูซดิฉันนับถึงสามมันทธอเซมีชมอร์ามดิฉันนับต่อไปมันเบชโมเรชเอดไม่มีดะฮัมสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้า half h a ดิฉันนับมันมีชมอรามคุณนับโทมีชมารีเขานับอูมีชมารัดหนึ่ง ที่หนึ่งเยกอวาลสองที่สองดูดูวงสามที่สามเซเซวงสี่ที่สี่ชาร์รชาร์รว ห้าแพน จ, พนจหกที่หกเชเจด็ดที่เจด็ดต์ตแปดที่แปดต์ตเก้าที่เก้า No, no home.